มงคลชีวิตมงคลที่ยี่สิำรวมจากการดื่มน้ำเมามัจปานาจะสั ญ, ญโมเอตัมมังคลมุตตังน้ำเมาทั้งหลายชื่อว่ามัจปานา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 คือน้ำเมาที่เรียกว่าสุรากับน้ำเมาที่เรียกว่าเมไรยัย 1. สุโราได้แก่โุราที่ทําจากแป้งโุราที่ทําจากขนมโุราที่ทําจากข้าวสุกโุราที่หมักสาเล้าและโุราที่ผสมด้วยเครื่องปรุงหลายอย่าง 2. เมไร